ตอนที่27ไร้ชื่อหลี่จงเซียวจิ้งผู้นั้นมีที่มาอย่างไรชูหลิงประทับอยู่บนบัลลังก์นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะหันไปมองหลี่จงทีประนิบัติอยู่ข้างกายเหตุใดอายุยังน้อยเพียงนี้ถึงได้รังตําแหน่งสร้างชีช้างซื้อแห่งกรมประตูหน้าได้ผู้ตามตรงชูหลิงไม่ได้มั่นใจนักว่าหลี่จงจะยอมคลายข้อสงสัยให้เขาหรือไม่แม้ก่อนหน้านี้ที่ตําหนักต้าซิงเขาจะให้หลี่จงเล่าเรื่องราววิรกรรมของเทจูและหลี่จงก็ยอมเล่าให้ฟังแล้วก็ตาม ทว่าชูหลิงสัมผัสได้ถึงความลังเลของหลีจงอีกทั้งในยามที่เล่าเรื่องของไทจู่เขายังแอบสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวลงไปบ้างนับว่าเป็นคนฉลาดคนหนึ่งและคนฉลาดย่อมไม่พาตัวเองไปตกอยู่ในอันตรายจุดนี้เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากกลับมาจากตำหนักโซ่หงรวมถึงการแสดงออกหลายอย่างของหลีจงทุนจั ก, กรพัฒผู้สื่อราชสันติวงศ์หลีจงก้มหน้าลงแล้วกล่าวว่า เซียวจิงเป็นชาวอาวินไห่เขาเป็นจองหมวนจากการสอบคัดเลือกขุนนางในรัชสมัยไทยจงซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการใช้วิธีปิดบงังรายชื่อผู้เข้าสอบในการคัดเลือกที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองชูหลิงเข้าใจในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นการสอบคัดเลือกขุนนางที่หลี่จงเอ๋ยถึงแท้จริงแล้วก็เหมือนกับการสอบจองหมวนที่เขารู้จักความหมายไม่ต่างกันมากนักเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันไปและเรื่องนี้ยังทําให้ชูหลิงนึกเชื่อมโยงไปถึงองค์เทจูเก่าฮ่องตี้ ระบบการสอบคัดเลือกขุนนางนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงริเริ่มขึ้นมาก่อนหน้ายุคต้าอาวีการคัดเลือกและบรรจุขุนนางโดยสังเขตแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นระบบสืบทอดตำแหน่งตามตระกูลการเลื่อนยศจากความดีความชอบทางทหารการแต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิน่นหรือการเข้าสู่ราชการด้วยทักษะฝีมือเฉพาะทางเป็นต้นระบบการคัดเลือกที่ยึดถือกันมาหลายยุคหลายสมัยเหล่านี้ทําให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ที่ยังรากลึกในภูมิภาคต่างๆแตกต่า ง, า ง, า ง, างกันไปตามช่วงเวลา รวมผลประโยชน์เหล่านี้แม้จะผ่านการผัดเปลี่ยนราชวงศ์มาหลายครั้งแต่พวกเขาก็ยังดำรงอยู่ได้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตอนเองเอาไว้เช่นเดียวกับตระกูลซุนแห่งกวนซีของไทฮวงไทเฮ า, าในราชวงศ์ปัจจุบันถือเป็นพระยาติวงศ์ผู้นำตระกูลคนปัจจุบันยังมีบรรดาศักดิ์สูงส่งถึงขั้นกัวกงแต่ในราชวงศ์ก่อนพวกเขาเป็นเพียงขุนนางฝ่ายทหารที่สืบทอดบรรดาศักดิ์ต่อกันมาหลายชั่วอายุคนหลังจากผ่านเหตุการณ์บางอย่างมาในที่สุดก็ก้าวขึ้นสู่แกนกลางของกลุ่มอํานาจกวนซีได้ แม้แต่ในปัจจุบันทั้งในและนอกราชสำนักต้าอาวีก็ยังมีคนจํานวนไม่น้อยที่เรียกขานเหล่าขุนนางผู้ดีมีตระกูลบางกลุ่มว่ากลุ่มอํานาจกวุนซีและตระกูลซุนก็คือหนึ่งในนั้นแนวคิดบางอย่างเมื่อก่อตัวขึ้นแล้วย่อมยากที่จะเปลี่ยนแปลงและพราะได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เองที่ทําให้ชูหลิงรู้สึกทอดถอนใจต้าอาวีแห่งนี้สําหรับเขานั้นช่างแปลกหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกชนชั้นไม่ว่าจะอยู่ในบริษทใดย่อมต้องดํารงอยู่เป็นธรรมดา ทว่าสิ่งที่ทำให้ชูหลิงประหลาดใจอย่างยิ่งคือการที่ต้าอาวียังคงมีระบบทาตอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าธาตกับทาตนั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของต้าอาวีด้วยเหตุนี้ต้าอาวีจึงมีการฝังทาตร่วมกับศพเจ้านายอยู่อีกด้วยแม้ในรัชสมัยเทจงจะมีการยกเลิกธรรมเนียมการฝังคนร่วมกับศพจักรพรรดิเพื่อหวังจะให้เป็นแบบอย่างแก่ใต้ล่าให้ปฏิบัติตามทว่าผลลับกลับไม่สู้ดีนะัก บารมีของท้จงในต้าอาวีหหากเทียบกับท้จูแล้วอาจจะได้กว่าเล็กน้อยแต่หากเอ่ยถึงท้จมย่อมไม่มีใครในใต้ล่าที่ไม่ย่ำเกรงถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่มันก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะทําให้เขาขึ้นสู่ตําแหน่งสูงส่งเช่นนี้ได้ในขณะที่อายุยังน้อยกระมังเมื่อคิดได้ดังนี้ชูหลิงจึงมองไปที่หลี่จงด้วยความสงสัยแล้วกล่าวว่าเราไม่เชื่อหรอกว่าการที่เซียวจิ้งผู้นี้ถูกเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาขนาดนี้ในราชสํานักจะไม่มีเสียงคัดค้านเลยจากประพัดผู้สื่อราชสันติวงศงพระปรีชา ย, ยิ่งนัก หลี่จงมีสีหน้าซับซ้อนขณนะกล่าวว่าทิ้งแต่เซียจิ้งผู้นี้ไม่ธรรมดาในการสอบคัดเลือกขุนนางปีนั้นเขาได้เขียนบทความฉบับหนึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิรูปนโยบายใหม่ในราชสำนักนโยบายใหม่อะไรชูหลิงขมวดคิ้วถามการที่คนผู้หนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อศูนย์กลางอำนาจของต้าอาวีได้ด้วยบทความเพียงฉบับเดียวทั้งที่ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางขุนนางด้วยซ้ําหากไม่พูดถึงเรื่องอื่นวิสัยทัศน์และสติปัญญาของคนผู้นี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน กฎหมายภาษีหลี่จงตอบสั้นๆได้ใจความหืมชูหลิงชะงักไปเขาอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสัญชาตญาณแต่เมื่อเห็นว่าหลี่จงไม่มีทีท่าว่าจะพูดต่อเขาก็รู้ได้ทันทีว่าหลี่จงไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงได้รับความสำคัญจากไทจงอย่างนั้นหรือชูหลิงคุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะลองถามอย่างเชิงออกไปหามีได้พยาค่ะหลี่จงสายหน้า แม้คนผู้นี้จะถูกกำหนดให้เป็นจอหงหวนแต่เรื่องกลับผิดคาดของทุกคนเมื่ององที่จงองหวนห้องตี้กลับส่งเขาไปเป็นขุนนางที่สีเหลียงและอยู่ที่แน่น า, น า, นานหลายปีนั่นไม่ผิดธรรมเนียมหรอกหรือชูหลิงขมวดคิ้วผิดธรรมเนียมพยคะค่ะหลี่จงกล่าวเสริมแต่คนผู้นี้กลับต้องอยู่ห่างไกลาจากศูนย์กลางอำนาจไปยังดินแดนชายแดนจนกระทั่งได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในศึกนั้นเซียวจิ้งอาศัยความดีความชอบจากชัยชนะครั้งนั้นจึงได้รับการปูนบําเหน็จเป็นพิเศษให้ดํารงตําแหน่งปิงปู้จัวซื้อหลาง ให้ตายเถอะชูหลิงอุทานในใจนี่คือการก้ากระโดดขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในศูนย์กลางอำนาจเลยทีเดียวหากเป็นการเลื่อนตำแหน่งตามปกติเซียวจิงไม่มีทางเป็นถึงซื่อหลางของกรมหนึ่งได้พายในเวลาเพียงไม่กี่ปี ส่วนชัยชนะครั้งใหญ่ที่หลี่จงเอ๋ยถึงคือสงครามระหว่างรัฐของต้าอาวีกับซีชวนและเป็นศึกครั้งนั้นเองที่ทำให้เกียติภูมิของต้าอาวีคถอนาจายไปทั่วชายแดนซีเหลียงสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ซีชวนจนทำให้ชายแดนทิศตะวันตกที่เคยสร้างความลำบากใจให้ต้าอาวีมานานไม่มีการประทะครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกเลยจนถึงปัจจุบันศึกครั้งนี้ถูกขนานนามว่าศึกใหญ่เขาหวางถิง ทว่าชูหลิงกลับยิ่งสงสัยใคร่รู้มากขึ้นไปอีกว่าเซียวจิงผู้นี้ในฐานะขุนนางฝ่ายพลเรือนแท้จริงแล้วเขาทำสิ่งใดลงไปถึงได้รับรางวัลพิเศษเช่นนี้สิ่งที่เขาเห็นในตำหนักกระลู่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุดใหญ่เขาหวังถิงแต่จะเน้นไปที่การสู้รบของทั้งสองฝ่ายส่วนเรื่องอื่นกลับมีการกล่าวถึงน้อยมากและก่อนที่องค์เทพจงเหมืนห้องตีจะเสด็จสวรรคตรเซียวจิงก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นซ่านชีช้างซื้อแห่งกรมประตูหน้าในขณะที่ชูหลิงกำลังครุ่นคิดหลีจงก็กล่าวต่อไป เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีเสียงคัดค้านไม่น้อยแต่ทั้งหมดก็ถูกองค์ที่จงหวนห้องตีกดเอาไว้และหลังจากที่จักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชก็ทรงเรียกเขาเข้าวาังหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดเสียงวิพากวิจารเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปมีหน้าละ่ะชูลิงเผยสีหน้าเข้าใจกระจังแจ้งนี่คือขุนนางผู้เป็นดั่งแขนขาที่ที่จงทิ้งไว้ให้จักรพรรดิองค์ใหม่และพระนิสัยเช่นนี้เองเขาจึงกล้าลุก ข, ขึ้นมาตั้งคำถามกับอัครเศสนาบดีฝ่ายซ้ายสวีชู่ต่อหน้าเหล่าาาขุนนงงงจจกกกทั้้รรรมมซููและปะปตหา และเขาจะสามารถมาเป็นพวกเดียวกับข้าได้หรือไม่เมื่อคิดได้ดังนี้ชูหลิงก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาในใจแม้คนผู้นี้จะเป็นขุนนางที่ไทจงทิ้งไว้ให้จักรพรรดิองค์ใหม่แต่ทว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ผู้นั้นบัดนี้ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วในเวลานี้ผู้ที่รังตําแหน่งจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แห่งต้าอวีคือเขาชูหลิงและเมื่อพิธีบรมราชาพิเศษมาถึงเขาก็จะกลายเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ของต้าอวี คนเราย่อมต้องมองไปข้างหน้าเมื่อคนตายไปแล้วแม้จะเป็นจักรพรรดิแต่นั่นก็เป็นเพียงอดีตไม่มีใครสามารถจมปักอยู่กับอดีตได้ตลอดไปดูเหมือนจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์จะทรงมีความคิดบางอย่างเสียแล้วหลี่จงที่ยืนอยู่ข้างๆรอบสังเกตเห็นชูหลิงนิ่งเงียบไปจึงแอบครุ่นคิดในใจหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงไม่ยอมเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยง่ายแต่จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในช่วงนี้ทําให้หลี่จงสัมผัสได้ถึงความเร่งรีบและความกดดัน จากระพัดผู้สื่อราชสันติวงศ์ทรงมีสติปัญญาเกินวัยทว่าในตอนนี้ยังมีคนรู้เรื่องนี้ไม่มากนะักนี่คือโอกาสสำหรับเขาก่อนหน้านี้หลี่จงยิงคงลังเลว่าจะรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปดีหรือไม่แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์บางอย่างมาหลี่จงก็ได้ล้มเลิกความคิดนั้นไปการที่เขาเดินมาถึงจุดนี้ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนิสัยที่ระมัดระวังของเขาแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือเขาก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านไม่น้อยเช่นกันทว่าในวังวิสิ่งที่ไม่ควรมีที่สุดก็คือคนที่มีความคิดความอ่านนี่แหละ หลี่จงเรื่องต่างๆของเราเจ้าเคยบอกคนภายนอกหรือไม่และเมื่อเสียงของชูหลิงดังขึ้นหลี่จงก็พันเหงื่อการไหลซึมออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุบ่าวหามิได้พยาค่ะหลี่จงรีบกล่าวเรารู้ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดชูหลิงยิ้มพรางมองไปที่หลี่จงคำพูดไหนควรพูดคำพูดไหนไม่ควรพูดเจ้าต้องรู้ดีกว่าเราเจ้าต้องการสิ่งใดกันแน่เราไม่อาจเดาได้แต่สิ่งที่เราจะให้เจ้าได้ย่อมเป็นสิ่งที่คนอื่นให้ไม่ได้อย่างแน่นอน เมื่อกล่าวจบชูหลิงก็ลุกลงจากบัลลังก์มองหลี่จงด้วยสายตามีความหมายลึกซึ้งจากนั้นก็หันหลังเดินไปทางด้านหลังตําหนักแม้ชูหลิงจะพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกให้เหมือนเด็กน้อยแต่เขาก็รู้ดีว่าพฤติกรรมบางอย่างย่อมจะแสดงออกมาโดยไม่ตั้งใจในที่ที่มีคนพลุกพลานเขายังพอจะข่มใจเอาไว้ได้แต่ในยามที่มีคนน้อยโดยเฉพาะเวลาที่เขาถามในสิ่งที่อยากรู้ย่อมยากที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทว่าชูหลิงไม่เสียใจที่ทําเช่นนี้ เพราะหากเขาต้องการจะทำลายหมากกระดานนี้และต้องการหลุดพ้นจากโชคชะตาที่อาจต้องตายเขาก็จําเป็นต้องทําเช่นนี้สิ่งที่เขาพูดไปเมื่อครูก็เพื่อต้องการจะดูว่าหลี่จะมีความพยายามหรือไม่หากมีทุกอย่างย่อมจัดการได้ง่ายหากไม่มีเขาก็ต้องหาทางกําจัดความเสี่ยงและพายเงียบนี้ทิ้งเสียเพราะในตอนนี้เขายังไม่มีอิสระใดๆเลยแม้แต่อิสระยังไม่มีแล้วจะไปพูดถึงเรื่องอื่นได้อย่างไร